พึ่งพากันตั้งใจเรามันต้องตั้งใจเรื่อยไปแหละเพราะใจไม่ตั้งนี่แหละมันจึงเป็นทุกข์ใจเลื่อนลอยวันนี้เรามาควบคุมใจตัวเองให้มันตั้งมั่นลงไปอย่าให้มันคิดเรื่อยเปอยไป อันนั้นมันเป็นทางไปสู่ทุกข์การหยุดคิดหยุดนึกปล่อยวา ง, อยางนี่มันเป็นทางแห่งความสุขอันเป็นแก่นสารทุกคนเกิดมาในโลกนี้ใครๆก็ต้องการความสุข ขึ้น่อว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครต้องการเลยแต่คนส่วนมากมันขาดปัญญาหาความสุขใส่ตนไม่ได้ไปหลงติดแต่ความสุขชั่วคราวนั่นแหละเป็นส่วนมากเลยทีเดียว เพราะความสุขชั่วคราวนี่มันเป็นความสุขที่อิงอาศัยอามิตรคือสิ่งของมันเป็นของเห็นได้ง่ายๆเช่นอย่างว่าได้เงินมาอย่างเงี้ย เมื่อได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ดีอกปีใจสบายใจเมื่อต้องการสิ่งใดก็ซื้อหาออกมาได้ง่ายเพราะมีเงินอยากได้รถคันละแสนสองแสนสามแสนก็ซื้อมานั่งได้สบายสบาย อยากได้ตึกสามชั้นสี่ชั้นขึ้นไป ส, สร้างขึ้นได้ตามประสงค์อยากได้อะไรต่ออะไรก็ทำขึ้นได้เนื่องจากมีเงินมากคนเราถือเอาความมีความเป็นดังกล่าวมานี่แหละถือว่าเป็นความสุขสบาย <c oughs> แท้ที่จริงแล้วความสุขเหล่านั้นมันแฝงไว้ด้วยทุกข์น่นั้นภาวนาให้มันเห็นเงินทองได้มาแล้วจ่ายไปจ่ายไปมันก็หมดไปบางทีว่าหามาไม่ทันก็ได้ติดขัดเข้า ไม่มีเงินจะจ่ายก็เดือดร้อน <c oughs> อันบุนี้นะี่ยมันเป็นความสุขชั่วคราวอย่าไปติดมัน <c oughs> ให้ถือว่ามันเป็นแต่เพียงปัจจัยเครื่องอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่ามันจะอำนวยความสุขให้ตลอดไปไม่ได้ ก็ของไม่เที่ยงมันจะไปอานวยความสุขให้ตลอดไปได้ยังไงอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดมีดับอยู่อย่างนั้นแต่เราอาศัยของไม่เที่ยงนั้นแะอยู่ทุกวันนี้แต่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้หลงของไม่เที่ยงไม่ให้ติดของไม่เที่ยง เพิกใจสอนใจของตนให้ปลงให้วางมันไปเรื่อยๆให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหล่านั้นตั้งมั่นอยู่ในบุญเอเมื่อทําบุญได้เกิดขึ้นมีจิตใจส ง, งบผ่องใส แล้วก็รักษาใจที่ส ง, งบที่ผ่องใสนั่นแหละไว้นั่นจึงชื่อว่าเป็นพูทตั้งมั่นอยู่ในบุญอยู่ในคุณจิตใจคนเรานี่ถ้าไม่มีเครื่องอยหมายความว่าถ้าไม่มีบุญคุณนี่เป็นเครื่องอยู่แล้วมันจะไม่ส ง, งบเลยมันจะฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> ถ้ามันมีบาปเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ยิ่งร้ายใหญ่จิตใจไม่มีความสงบไม่มีความเย็นเลยถ้าผู้ใดมีบาปเป็นเครื่องอยู่ในใจดังนั้นต้องรู้เมื่อรู้ว่าใจขงตนมันฟุ้งซ่านมันเร่าร้อนมันมัวหมองอย่างนี้มันต้องค้นหาต้นเหตุมันมันต้องมีต้นเหตุ มาจากเหตุอันไดอันหนึ่งตง้องต้องเพ่งพิจารณาดูให้พบเมื่อพบแล้วก็ละเหตุอันนั้นเสียอเพียรพยายามละเหตุอันนั้นให้มันลังงับไป <c oughs> <c oughs> เมื่อเหตุอ น, นันต์ลังงับไปแล้วจิตใจก็ผ่องใสขึ้นมาได้อืม เพราะว่าทุกคนนั้นเชื่อบุญไม่ได้ไม่ได้เชื่อบาบว่าจะอํานวยความสุขให้เชื่อบุญกุศลว่าจะอานวยความสุขให้เท่านั้นชิงเอ่นไม่มีอะไรที่จะมาอํานวยความสุขให้หมายเอาความสุขที่สดใส น, นะสุขไม่เจืออยู่ด้วยทุกข์ <c oughs> ทุกที่เจออยู่ด้วยทุกกระดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ย <c oughs> เมื่อมีเงินมาก็เป็นสุขสบายไปเมื่อเงินหมดก็เป็นทุกข์นั่นเอส่วนทุกที่ อ, อาศัยสมาธินี่ไม่ไม่ได้อาศัยวัตถุภายนอกคือว่าจิตอาศัยจิตก็ว่าได้ เมื่อฝึกตัวเองให้สงบลงไปได้แล้วก็พึ่งตัวเองได้มันเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูพอจิตมันสงบลงแน่วแน่ไม่คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆอย่างนี้นะจิตมันสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่ภายในอะ่ะ <c oughs> อย่างนี้แล้วก็ รู้ได้เลยเลยว่าตนนั้นมีความสุขเพราะไม่มีกังวลอะไรจิตที่เป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นเพราะมันมีความกังวลเช่นอย่างว่าทำอะไรแล้วไม่ได้ตามใจหวังก็เอาเรื่องนั่นแหละมาคิดมาวิตกวิจารน้อยเนื้อต่ำใจอยู่งั้นนี่ อันจิต ท, ที่ไม่สงบอย่างนั้นนะมันไม่มีความสุขสบายเลยเพราะมันมีห่วงมีกังวลอยู่แม่จิตจะ ก, กังวลเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนี่เนะี่ไม่มีความสบายเลยแล้วก็เรามาเทียบกันดูที่บัด น, นั้นเวลาที่เราภาวนาลงไปน้อมจิตสติเข้าไป ควบคุมจิตไม่ให้คิดพร่งสร้างเลือนลอยไปทางอื่นให้เตือนจิตตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันดับไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะคิดปรุงแต่งไปในของไม่เที่ยงเหล่านั้นถึงคิดอย่างไรมันก็ไม่ได้ตามใจหวงังหยุดเสียเธอะหวางมันเสียเทอะ นี่เตือนใจตัวเองไปอย่างนี้แล้วก็จิตนี่มันรู้ศึกสำนึกตัวได้อย่างนั้นมันก็หยุดคิดไม่ปรารถนาที่จะคิดไปแสวงหาในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่แหละการที่เราจะได้พบความสุขอย่างแท้จริงก็มาพยายาม ทำใจให้สงบหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆนี่มันมันถึงจะพบกับความสุขที่แน่นอนได้ดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันรอบครอบการที่เราคิดส่งไปยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไหว้เนี่ยนะมันไม่มีความสุขจริงๆอ่มั น, นนะมันเดือดร้อนเข้าไปยึดได้แล้วมันไม่ได้ตามประสงค์ถึงเม็ดได้มาแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยได้อะไรมาก็ช่างเนี่ยได้ผ้านุ่งผ้าห่มมานุ่งไปห่มไปเศ้ามองไปหน่อยก็ขาด หูไปต้องทิ้งต้องหามาใหม่ใช้ไปใช่ไรกับชมรุดไปต้องทิ้งอยู่อย่างนี้แหละโลกสนิวาอันี้เนี่ยนะแม้ของทิ้งอื่นก็เหมือนกันนะไม่มีละไม่มีอะไรที่ยั่งยืนให้ได้อาศัยอยู่ตลอดไปไม่มีเลยเราต้องพิจารณา เรื่องอย่างนี้เนะี่ยถ้าไม่พี่นะ้ามันติดมันคล้องอผู้เป็นนักบวชก็ยิ่งสําคัญมากผู้เป็นนักบวชนี่พราะเป็นผู้มีความเป็นอยู่ขั้นสูงความเป็นอยู่อย่างสะอาดความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆในโลกนี้่ ดานั้นผู้เป็นนักวดก็จึงต้องทำความเพียรเข้มงวดกวดขันกลัวผู้ครองเรือนเพราะมีโอกาสเต็มที่ไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายอะไรก็มีแต่ฝึกสติสมปัญญะเพ่งจิตควบคุมจิตอย่าให้มันคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆ อันเป็นหนทางให้เกิดความรักความทังเมื่อครบคุมจิตใจได้อย่างนั้นเมื่อก็เป็นอันว่าละความยึดถือไปได้เป็นระยะระยะไปไม่ว่าคฤหัสถ์นักบวชถ้าผู้ต้องผู้ต้องการความสุขที่แท้จริงแล้ว ต้องภาวนาพูดตรงๆนี่แหละผู้ใด เ, เกียร์ข้านภาวนาผู้นั้นมีแต่ยึดมีแต่ถือภายในจิตใจนั่นนะเพราะเมื่อไม่ภาวนาแนะ้วมันก็หลงเลยมันหลงเลยมันก็ไหลไปตามเรื่องนิยมสมมุติของโลก โลกคือหมู่มนุษย์สมมติอย่างไรกันขึ้นมาก็หลงก็ไหลไปตามสิ่งสมมุตินั่น่นบบ น, นี้ทางที่จะไม่หลงก็เพราะภาวนาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในคือระลึกเข้ามาหากายห า, ายใจนี่แหละเรียกว่าทวนกระแสจิตนะมาก็ว่าไม่คิดส่งไปทางอื่นให้ ควนกระแสจิตทวนความคิดก็นึกให้สั้นเข้ามาหาจิตนี่ถ้ามันจะคิดก็ให้มันมาคิดอยู่ภายในกายภายในจิตนี้อย่างเช่นพระองค์เจ้าสอนให้เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างเนี้ยนั่นแหละกระทรงสอนให้ย้อนความคิดเข้ามาสู่กายสู่ใจนี้โดยตรงเลยทีเดียววันนี้ ไม่ไม่ปล่อยให้จิตคิดส่งออกไปข้างนอกให้เอาสติเข้ามากำหนดรู้อัตภาพร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงให้ได้ถ้าว่าจิตมันเพ่งจดจ่อยอยู่ในอวัยวะร่างกายต่างๆอลนี้มันก็ไม่คิดส่งออกไปข้างนอกแล้วบัดนี้น ะ, ะมันจะยังงานเดองมันนะ ถ้าสติอมาเตือนจิตให้เพ่งอยู่วเวทนาต่างๆดั ง, ง, งที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละ <c oughs> จิตมันก็ไม่คิดไปทางอื่นเมื่อมันทุกข์อยู่ตรงไหนก็เอาไปเพ่งดูอยู่ตรงนั้นดูเอาจนเห็นว่าทุกข์ทำไม่ใส่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นเรื่องสังขารต่างหากสังขารไม่เที่ยง เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ย่อมแปรปรวนไปบางคราวมันก็เป็นสุขสบายดีเป็นปกติอยู่ได้ช่วงระยะหนึ่งัน้นต่อไปเมื่อมันแปรป ร, ปรวนไปกระทบกระทั่งกับจิตเก่ามันก็เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นสุขกับทุกขนี่นะมันเกิดดับเกิดดับสลับกันอยู่อย่างนี้ ต้องเพ่งพิจารณาให้มันเห็นแล้วก็มันไม่ใช่ของใครอะ่ะไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรเลยมันเป็นนามธรรมามันไปสัมผัสกับจิตต้นถึงมันจะไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันก็มีฤทธิ์มันก็มีอนุภาพของมันอยู่ในตัวทีเดียวแหละธรรมชาติหมู่นี้นะอย่างนั้นเราต้องเพ่งดูให้มันรู้ชัด ลงไปว่ามันไม่ใช่ของเราสุข ก, ก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ทุกข์ไม่ทุกข ก, ก็ดีมันเป็นธรรมชาติของมันมันเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วมันก็แปลผันใน่้มกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่ธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เกิดมาในโลกนี้ มันก็ความจริงก็มีเท่านี้เองนะ น, นั่นเนี่เราเพ่งดูแต่ร่างกายนี้ออกไปอย่าไปเพ่งภายนอกเข้ามาร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันก็แปรปรนไปอยู่นานปีนานเดือนไปทุกคนก็รู้อยู่ดีๆนี่แหละแต่ว่ารู้มันทำไมพิจารณาไม่สอนใจของตน ให้ปรงให้วางลงไปเหตุนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์กับความไม่เที่ยงนี้แหละจิตใจดวงนี้ <c oughs> ดังนั้นนะอย่าไปสงสัยลังเลไปอย่างอื่นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่นยะเรามาฝึกจกิต ด, ดวงนี้แหละ มาพยายามห้ามจิตตรงนี้อย่าให้มันคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นเนี่ยการนั่งภาวนานะให้เข้าใจถ้าบุคคลไม่นั่งภาวนาแล้วมันอยากคิดอะไรก็คิดไปทั่วผีพบเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าพูดภาวนาอย่างนี้มัน <c oughs> ก็ควบคุมจิตใจตัวเอง นั่นแหละคำว่าภาวนาตั้งสติควบคุมจิตใจนี่ไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆเมื่อใจมันไม <sh> ่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปในที่ต่างๆแล้วเมื่อหยุดนิ่งอยู่ในภายในนี่มันก็อิ่ม อารมณ์ต่างๆ <c oughs> มันก็ <c oughs> มันก็ไม่ปรารถนาที่อยากจะได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้ <c oughs> ในขณะที่ภาวนานะอย่าไปอยากได้อะไรพูดกันง่ายๆ ต้องยุติความอยากลงความอยากลงซะก่อนไม่เช่นนั้นแล้วจิตสงบไม่ได้จริงๆมเมื่อออกจากภาวนาไปแล้วก็จึงค่อยอยากให้มันอยากได้ในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเท่านั้นแหละในขณนะนั่งภาวนานี่อย่าไปคิดอยากได้อะไรต่ออะไรขึ้นมา นั่นไม่ใช่หนทางแห่งความสงบจิตใจจะสงบลงไม่ได้เลย <c oughs> บางคนก็ชอบอยากคิดถ้ามันชอบอยากคิดอย่างนั้นก็ให้มันคิดพุดโทโธแทนอย่างอื่นพุโทโธก็ต้องให้นึกอยู่ภายในอยู่ภายในจิตนี่อย่าส่งออกไปข้างนอก ถ้านึกพุโทโธอยู่กับจิตนี้ได้แล้วก็มีหวังอ่ะมีหวังที่จะทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งลงได้เป็นยาง้นอย่ า, ยาไปทำความยุ่งยากในเรื่องการภาวนาว่าออมันมันหลายเรื่องนะเกินเนี่ยไม่ทราบจะให้ทำยังไงอ่ะก็ฟังที่ท่านแสดงไปแล้ว รู้มันจะหลายเรื่องเอาเหลือเกินบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้เพราะมันไม่ฉลาดไม่รู้จักบทสรุปการฟังนี่เมื่อท่านอธิบายไปอย่างพิดารก็ฟังไปฟังเหตุฟังผลไปแต่เมื่อถึงบทสรุปแล้วนะเราต้องจำให้ดีนี่ บทสรุปนี่หมายควเพื่อนการกองเอาธรรมะที่บรรยายไปว่วงขวางเหล่านั้นให้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยรวบรัมตัดตอนลงไปเมื่อเมื่อปฏิบัติตามนี้แล้วไม่มีผิดหมายความว่าอย่างนั้น ก, ก็ต้องให้เข้าใจต้องฉลาดอย่างนั้นการฟังไม่ใช่ว่า ท่านจะให้จำเอาสำนวนโวหารที่ท่านแสดงไปนั้นทั้งหมดไปเลยอย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจธรรมะเป็นผู้จำธรรมะได้ทรงไว้ซึ่งธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอุปมามันยังช่างถากไหมไม่จนหนึ่งมันก็มีทั้งสกเก็ดมีทั้งเปลือก มีทั้งกะพีมีทั้งแกน่นบาง้นก็ไม่มีแกน่นผู้ต้องการไม้ที่มีแกน่นร่วนๆแล้วก็ต้องไปถากสเก็ตถากเปลือกถากกะพีออกก่อนถึงแกนเอากอบมาถูกกะพีที่ละเอียดนั้นออกไปให้มันเลือดแก่นร่วน นี่ช่างถากไม้เขาก็ต้องทำอย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันนะอันกิเลสตัณหานี่ก็ให้อุปมาเหมือนอย่างสเก็ตเหมือนอย่างเปลือกเหมือนอย่างกัะพีของไม้นั่นแหละอันแก่นไม้นั่นให้สมมติว่าดวงขีดดวงนี้ก็แล้วกันนะอันดังนั้น บุคคลผู้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทําความเพียรละกิเลสตัณหาให้บาบาง อ, อไปจากกิตใจก็อุปมามันยังไม่ทั้งต้นนั่นแหละ ย, ยังไม่ได้ถากเปลือกถากกระพี้อะไรออกเลยบุคคลจะไปทําเสาบ้านเสาเรือนจะเอาไปทาํ า, า, อ, อ, าทอย่างอื่นนี่มันทําไม่ได้นอกจากไปทำเสารั้วชั่วคราวเท่านั้นเอง อย่าไปทำก่อสร้างวัตถุท้าวอนไม่ได้ดังนั้นแหละเขาจึงต้องถากเปลือกถากกัะพี้ทิ้งไปให้หมดให้มันเหลือตะแกรนล้วนๆจึงจะเอาไ้ปลูกบ้านแปลงเรือนให้มั่นคงท้าวอนไปได้นมนานอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตรวงนี้ จะมีความสุขยั่งยืนถ้าวร ต, ต่อต่อไปไม่มีสิ้นสุดได้ก็เพราะอาศัยมาภาพเพียนพยายามชำระกิเลสที่มันหุ่มห่ออยู่นี่ให้มันน้อยมันเบาบางไปเรื่อยเร <c oughs> ื่อยต้องให้เข้าใจความหมายอย่างนี้นะการภาวนานะเราพยายามละกิเลสอยู่ในหัวใจเนี่ย ออกไปทีละน้อยละน้อยไปก็พาะผู้ที่มีอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ปัญญาก็อ่อนทีนี้การกาจัด ก, กิเลสตัณหาจะให้มันหมดไปโดยเร็วไม่ได้เหมือนอย่างคนกำลังน้อยทำงานแข่ง ก, กันกับคนที่มีกำลังมากอย่างนี้เนะี่ยเช่นถากไม้อย่างที่ว่ามาแล้วเนะี่ย คนที่มีกำลังมากเนี่ยเขาไม่เหนื่อยง่ายเขาถากเลื่อยไปไอ้ผู้มีกำลังน้อยกำลังอ่อนนี่ถากไปหน่อยหนึ่งแล้วอ่อนลงไปเหนื่อยแล้วก็ต้องพักคนมีกำลังแข็งแรงเขาไม่ได้หยุดพักง่ายง่าย ม, มันไปเรื่อย อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการฝึกฝนอบรมจิตนี่ผู้ใดมีกำลังจิตเข้มแข็งกล้ า, าหาญชาญชัยผู้นั้นก็ทำความเพียรชำระกิเลสในใจนี้ได้มากได้นานนั่งสมาธิก็ดอยู่นานได้เดินจงกรมก็อยู่นานได้ อย่างนั้นอันผู้มีใจอ่อนแอทอแท้แล้วนั่งภาวนาไปหน่อยหนึ่งก็งุดเหยีดขึ้นมาแล้วเพราะจิตไม่สงบควบคุมจิตไม่โย่ถ้าหาว่าขาดความเพียรเสร็จแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยบัานี้จิตจะสงบลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ต้องพยายามต้องอดต้องทนผู้ใดรู้ตัวว่าตนนั่นอ่ะยังอ่อนแออยู่นี่แล้วจะปล่อยให้ตนอ่อนแอเรื่อยไปอย่างนั้นมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้อย่างว่านะมันก็ชําระกิเลสออกจากกิตใจนี้ไม่ได้ดังนั้นอย่าไปอ่อนแอต้องยกจิตให้สูงให้เข้มแข็งขึ้นไว้ เดีวพยายามเพ่งอยู่ในภายในนี่เอา้าเพ่งกายเห็นกายแล้วย้อนเข้ามาเพ่งจิตเห็นจิตว่าไม่คล่องอยู่ในกายเพราะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันอยู่อาศัยบุญกรรมตกแต่งให้เท่านั้นเอง เมื่อถึงเวลามันแปลผันมันก็แปลไปถึงเวลามันแตกดับก็แตกดับไปมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดนี่พยายามน้อมสติเข้ามาเตือนจิตให้มันรู้เห็นความจริงของร่างกายก็ดีให้รู้เรื่องของจิตนี่จิตนี่มันเห็นไหม รู้ไหมว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนนะถามตัวเองดูนั่นนี่ถ้าตนเองตอบว่าถูกแล้วร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนนำมาใส่อยู่ชั่วคราวตอนนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะควรหรือที่จะมายึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราด้วยความยินดีบ้างยินร้ายบ้างเสียใจบ้างเศร้าโศกบ้าง ไม่ควรเลยอืถึงจะเศร้าโศกเสียใจกับมันอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเป็นทุกข์เปล่าๆทางที่จะไม่ให้จิตนี้เป็นทุกข์กับร่างกายก็เพราะมาวางอุเบกขาลงบัดนีนะ้พยายามสอนใจของตนให้วางอุเบกขาลงอย่าไปดีใจเวลาร่างกายสมบูรณ์พูนสุข อย่าไปเสียใจเวลาร่างกายวิบัติลงร่างกายโรคภัยเบียดเบียนเอาก็อย่าไปเสียใจมันถึงเสียใจอย่างไรมันก็ไม่ดีคืนก็เตือนตนไปอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันทำในใจของตนลงไปอปรองมันลงวางมันลง ทุข ก, ก็ดีทุกข์ก็ดีร้อนก็ดีหนาวก็ดีเจ็บปวดอะไรต่ออะไรก็ตามเน่ยลงมันลงวางมันลงให้จิตใจมันเป็นอุบเบกขามีสติรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ต่อไป